สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio โนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทราสุปรแสงหรือว่าบอกอมิงนะครับประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2562นะครับ ก็อยู่กันหนึ่งชั่วโมงเต็มกับสาระดีๆทางด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แล้วก็เพลงพเพราะๆที่นำมาเปิดสลับผัดปริมุนเวียนกันไปนะครับสามารถที่จะขอได้ทั้งเพลงหรือจะขอเนื้อหาที่อยากฟังก็ได้นะครับทำได้ทั้ง2 อ, อย่างเลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับงานคอมมาที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้านะครับวันที่4ถึงเกรกฎาคมที่ไบเทคบางดาที่เดิมเลยนะครับ ก็งานนี้มีกิจกรรมดีๆมีโซนที่เกี่ยวข้องกับเกมให้ทุกคนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่เกมในอดีต จ, จนถึงปัจจุบันนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายและแน่นอนนะครับมีโปรโมโชั่นร้อนแรง ที่นำมาฝากสำหรับคอเกมจริงๆเพราะว่างานคอมมาจอยเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของพวกเกมอ e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของความบันเทิงในยุคนี้ไม่ว่าการจะเป็นยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ฮิตนะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จะได้ดังๆจะได้มีคนติดตามจะได้โฆษณาเยอะๆ อ, ะอย่างี้นะฮะก็ เป็นห น, หนึ่งในความสนุกสนาน ร, รวมถึงการสร้างรายได้ของคนยุคนี้เนาะวันนี้มีเรื่องราวที่นํามาฝากเป็นเรื่องของการต้องรู้เท่าทันอะไรในยุคหน้ากันบ้างนะครับต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ทั ก, ทกษะใหม่ที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู่รอดอยู่ดีในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นะฮะความรู้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่อยู่นอกเหนือด้านเทคนิคและ ว, วิชาการเพราะว่า มนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคมที่จําเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในการดําเนินชีวิตนะครับก็พี่มิ้งขอเรียกลักษณะการมีความรู้ที่จําเป็นดังกล่าวว่ารู้เท่าทันเพราะว่ามันสื่อถึงการไล่ให้ทันคนไทยต้องการอยู่รอดอยู่ดีจําเป็นต้องรู้เท่าทันในเรื่องต่างๆอย่างน้อย5้าเรื่องต่อไปนี้ครับมีอะไรบ้างขึ้นหึง รู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะฮะซึ่งทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดเดาไม่ได้นักคิดจำนวนมากเนี่ยแบ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไปนะครับพี่มิ้งขอแบ่งเป็น5เรื่องด้วยกันก็คือ 1. ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับออสอก็คืออัลกอริทึม3ก็คืออินเทอร์เน็ตออฟทิงนะ 4ก็คือ 5G และ5ก็คือ Quantum Computing นะซึ่งหมายถึงวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ไม่ใช่หรือไม่ได้ใช้การโค้ดข้อมูลในแบบศูนย์และ1ดังที่เรายังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับระบบใหม่เนี่ยจะทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าหลากหลายกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างมหาศาลนะครับเชื่อว่าจะเริ่มใช้ในปี2022เป็นต้นไปซึ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทัน หรือมิได้เห็นความจําเป็นในการปรับตัวก็อาจจะตกงานได้อย่างที่เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทดแทนการทํางานปัจจุบันของเราได้นะครับแล้วเราอาจจะรู้สึกต่ำเขาเรียกต้อยต่ำต่ำต้อยเพราะว่าตามโลกไม่ทันกลายเป็นไดโนเสาร์ก็เป็นได้นะครับเนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในชีวิตอีกมากมายหลายอย่างซึ่ง เราจะต้องตั้งสติและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับนะครับรู้เท่าทันชีวิตชีวิตมนุษย์นั้นเปลา่บางมากยิ่งขึ้นในโลกสมัยใหม่ชีวิตที่เป็นปกติและมีความสุขอาจจะยุ่งยากขึ้นเช่นนะถูกปลดออกจากงานเพราะว่าเทคโนโลยีมาทดแทนนะครับขอหรือ2ก็คือเกิดความเดือดร้อนในชีวิตจากการโพสต์เพียงข้อความเดียวในโซเชียลมีเดีย หรือบางทีก็ตกอยู่ในกับดักของการชักหน้าไม่ถึงหลังถึงจะมีเงินไม่น้อยแต่ก็เป็นหนี้ไม่รู้จบจนรายได้ไม่พอรายจ่ายเพราะว่าถูกปลุกเรลาให้บริโภคโดยสื่อหลากหลายชนิดอยู่ตลอดเวลานะครับทรทัศ เคเบิลที่รับจานดาวเทียมซึ่งคนไทยจํานวนมากใช้เกือบทุกช่องเนี่ยมีนับร้อยมีแต่โฆษณาสินค้าเกือบตลอดเวลานะฮะคงจะเข้าใจเนาะเรื่องแบบนี้ทุกคนมีชีวิตอายุนะชีวิตเดียวอายุก็อยู่ช่วง 18-25 หรือ40เพียงครั้งเดียวจึงจําเป็นต้องทนุถนอมอย่างยิ่งนะครับการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตลองถามเพื่อนที่มีคู่ชีวิตผิดพลาดก็ดูได้นะอันนี้คล้ายๆกันเลยสรอยคอทองคํา มีค่าไม่กี่หมื่นยังดูแลรักษาธนุถนอมเป็นอย่างดีฟิตของเราเนี่ยมีค่ามากมายที่ดีเป็นเงินเขาเรียกตีเป็นเงินไม่ได้ลองประเมินง่งายๆว่าเรายอมรับเงินเท่าไหร่แลกกับการตัดมือข้างหนึ่งก็คงจะนึกภาพออกนะครับนี่เป็นเพียงมือข้างเดียวนะครับไม่ใช่ชีวิตลองนึกดูถ้าเกิดเป็นชีวิตของเราเนี่ยเราจะให้อะไรมาเท่าแทนได้บ้างละ่ะนะฮะแล้วก็จะไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษหรือนะครับ มาต่อเรื่องที่3ก็คืออะไรล่ะตะกี้รู้เท่าทันเทคโนโลยีรู้เท่าทันชีวิตนะฮะตะกี้พูดถึงตรงนี้มารู้เท่าทันต่อไปครับรู้เท่าทันตนเองนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทดลองและใช้ข้อสังเกตมากมายในปัจจุบันว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนที่มีเหตุผลจนตัดสินใจได้ถูกต้องแต่มีความเองเอียงในหัวใจอย่างมากนะครับอีกทั้งมีความสามารถในการปรับตัวสูงจนอาจทําให้เกิดปัญหาได้นะครับ ไม่มีสถานการณ์ใดๆที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจมนุษย์จำเป็นต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่พอมีบางครั้งก็มีมากพอและบางครั้งก็มีน้อยนิดนะฮะและตรงจุดนี้ะครับที่ความเองเอียงเข้ามาครอบงำเช่นชอบที่จะตัดสินใจแบบที่เรียกว่าคอ uh, นเะอ่อเาเรียก confirmation by กล่าวคือมีข้อสรุปอยู่ในใจแล้วก่อนจะตัดสินใจหรือ by add อะประมาณนั้น เพียงแต่ต้องการข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนการตัดสินใจของตนเองเพื่อความสบายใจนะครับเช่นหลายเรื่อง เ, เช่นพาคูลักษไปหาพระเพื่อถามว่า เป็นเนื้อคู่กันหรือไม่นะคงมีพ่านน้อยรูปที่จะกล้าตอบว่าไม่ใช่นะฮะการพาไปก็คือการตัดสินใจแล้วเพียงแต่อยากได้ยินคําตอบที่ถูกใจจากพระเท่านั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับคนส่วนใหญ่มักจะขอคําแนะนําเพื่อการตัดสินใจทํานองนี้นะฮะมีเพียงน้อยคนที่ไปขอคําแนะนําจากหลายคนหลายความเห็นเพื่อนํามาไต่ตรองและตัดสินใจการสัดสินใจในระดับชาติชนิดคอขาดาตายในลักษณะของที่เรียกว่าการไบแอตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่า ก, กลัวอย่างมากนะครับ การปรับตัวได้ดีของมนุษย์เป็นเรื่องดีหากเกี่ยวกับการสูญเสียแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการบริโภคนะฮะมนุษย์นั้นได้ของนะได้ของถูกใจใหม่ความพอใจและความสุขใจก็จะพุ่งขึ้นนะฮะแต่ไม่ช้าก็จะกลับมาสู่ระดับปกติตามสาราเขาเรียกตามสัญชาติยานการปรับตัวหากไม่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ ก็จะต้องสแสวงหาของใหม่จากการบริโภคอย่างไม่รู้จบจนเข้าสู่วงจรเป็นหนี้ก็คือใช้บัตรเครดิตแล้วก็เข้าลักษณะมีบัตรรูปแพะระแกะอะไรเงี้ยคือเอามาชนไปกันหมดเรื่อยไปเนะี่ยเอานี้มาจ่ายตัวนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังของมนุษย์ก็คือเลือกที่จะรับรู้รับทราบตามที่ตนเองเชื่อและต้องการกล่าวคือเราจะชอบจะชอบใครจะรักใครหรือสิ่งใดเป็นเป็นการเลือกของเราศาสนาของเราถูกต้องดีเสมอ จริงๆคนที่เลือกให้คือพ่อแม่เนะเรื่องแบบนี้ลูกเราน่ารักกว่าใครตัวเราเองไม่มีข้ออะไรบกพร่องเลยหลวงพ่อที่เรานับถือสุดยอดที่สุดไม่มีอะไรบกพร่องมือถือที่เราใช้แบรนด์ดีๆที่สุดในโลกยามรักเขาทําอะไรก็ดีหมดถูกหมดเราจะรับฟังรับรู้แต่เฉพาะสิ่งที่เราสนับสนุนความเชื่อและความชอบของเราอะไรที่ตรงข้ามประโยน์ทิ้งเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าใ น, น, นจุดอ่อนของมนุษย์ก็เหมือนเรื่องการเมืองนะฮะบางคนชอบ ฝ่ายนี้บางคนชอบฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากให้ทําใจเป็นกลางนะเพราะว่าคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียคงไม่มีใครดีสุดและเสียหรือว่าร้ายหรือว่าเลวสุดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้าอย่ามัวแต่นั่งจับเจา้าแล้คิดว่าหุย้ยอันนี้มันไม่ดีแล้วก็มานั่งวิจารณ์กันมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะเพราะว่าสุดท้ายไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องวิจารณ์เฮ้ยมากันเหมือนได้ไ ง, ไงเข้ามาเรื่องเราต่อรู้เท่าทันกันไปหลาย เท่าทันแล้วนะครับเรามารู้เท่าทันบรนดุด้วยกันกันบ้างนะครับการศึกษาไทยสอนวิชาหนักหน่วงแต่สอนชีวิตไม่มากนะครับเด็กจำนวนมากจึงดำรงชีวิตและดำรงชีวิตดาเนินชีวิตแบบไม่ค่อยเก่ง รู้ว่าคนอาเซียนและแต่ละประเทศมีดอกไม้สีประจาชาติธงชาติเป็นยังไงแต่ความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาไม่สูงจนทำให้หลายคนไม่รู้เท่าทันเพื่อนมรนลุด้วยกันไม่รู้จักคบเพื่อนอ่านคนไม่ออกและบ่อยครั้งนะครับอ่านตัวเองก็ไม่ออกเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะชีวิตอยู่ในการเรียนมากจนไม่ได้เรียนรู้ชีวิตนะครับ พ่อแม่จํานวนมากนะครับก็มีได้ให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตเข้าใจว่าเรียนวิชาสําคัญกว่าอยู่บ้านโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆในการช่วยการหาอยู่ร่วมกันของครอบครัวนะฮะลูกไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ว่าจะซักผ้าทํางานบ้านช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็ไม่ต้องให้เรียนสูงที่สุดมีเวลาแต่เรียนอย่างเดียวซึ่งแท้จริงนะครับลูกก็ต้องใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการเล่นเกมหรือโซเชียลมีเดียอย่างไร้สาระก็คือมีเวลาเหลือเยอะเนาะ ทั้งหมดนี้นะคะทำให้เด็กอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริงไม่เข้าใจชีวิตจริงของความสัมพันธ์มนุษย์และที่สําคัญที่สุดก็คืออ่านคนไม่เป็นจนไม่รู้เท่าทันคนอื่นถูกชักนําถูกหลอกไม่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นและในสถานการณ์อื่นๆ น, นะครับจนมีปัญหาเมื่อออกไปทํางานเพราะไม่เคยฝึกฝนเรื่องการอ่านคนมาก่อนนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องรู้เท่าทันมนุษย์ด้วยกันนะครับมาที่อันสุดท้ายนะครับกับการรู้เท่าทัน เ, เขาเรียกว่ารู้เท่าทันการต้องมีคุณค่าของมนุษย์ฮิวแมนแวลูนะฮะในโลกที่ซับซ้อนและสับสนอีกทั้งชีวิตก็เปราะบางสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดอยู่ดีได้ก็คือการมีคุณธรรมประจําใจการชื่นชมศรัทธาความดีความงามและความจริงถ้าไม่มีหลักการที่มั่นคงประจําใจเปรียบเสมือนมวยหลักตรงข้ามกับมวยวัดนะครับที่ชกไปอย่างไม่มีความรู้หลักที่ต้องจารับรองถูกน็อกเสมอนะครับ ไม่ช้าไม่นานความเดือดร้อนต้องมาเยือนชีวิตจะหาความสุขความก้าวหน้าในชีวิตได้ยากนะครับแต่ถึงแม้จะมีหลักชัยที่ดีนะครับระหว่างเดินทางก็จําเป็นต้องมีหลักการปฏิบัติประกอบด้วยเช่นการมีเอ่อมีมารยาทมีความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติคนอื่นการมีวาจาไม่ก้าวร้าวมีความเห็นหอกเห็นใจอย่างมีเมตตาความเป็นวิตรการมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นนะครับการมีจิตอาสาจิตสาธารนณะการที่มนุษย์มีชีวิตเดียวคนเดียวในโลกไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎศิลธรรมของสังคมนะครับจึงจะทําให้เราอยู่รอดอยู่ดีได้ในยุคดิจิทัลแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5 เรื่องที่อยากจะมาฝากในช่วงต้นตรงนี้นะครับจริงๆยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ต้องนํามาฝากกับอีกสองเบรกที่เหลือแต่ว่า อ, อ่อเดี๋ยวไปฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากฟังเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังพิมมิ้งต่อกันครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r i p ร์ไจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยน่าปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยิ้มกบพอเพียงเท่านั้นอย่าต่อร้องได้ไหมรับมันไปความใส่ใจที่เอามาให้กันไม่ขออะไรตอบฉันไม่เคยต้องการ ฉัน ดูสดใสโอูโอ้ baby ฉันไม่เคยว่าให้เธอต้องมารากไม่ว่าวัานไหนฉันพร้อมจะเป็นที่พักถ้าเธอเป็นฉันมองอย่างที่ฉันมองจะรู้ว่าเป็นสุขที่ได้ทำอะไรอย่างนีให้เธอแค่ยิ้มก็พอพี่เท่านั้นอย่าต่อรอง อยากจะลืมที่ผ่านมาออกไปหาภาพใหม่ๆลมพัดใจแต่เดินมาไกลแค่ไหนภาพเดิมก็ยังอยู่ในความฝันจะให้ฉันลืมมันได้ยังไงต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไหร่มองทงแลทั้งนิ้ ที่พระอาทิตย์ที่ต้องดูก็ยัง ไปทางใดไม่อยากลบภาพกลองใจเหมืม่มเดินมาไกลแค่ไหนข้างในใ จ, ใจก็มีแต่เธอานั้น เราจ้องมองตาสอกันมืนฉันนั้นรู้สึงส่วนลึกในหัวใจของฉันนั้นเปลี่ยนไปไม่เป็นดังเช่นเคยเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใกลจากฉันเท่าไรแต่ใจกลับไหล ไม่เกลักลางงานเต้เตเนไม่คืนจนเต็ม ฉัน รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เหมกะ h z หลายๆครั้งนะครับที่เราพูดถึงราคาของการใช้อินเทอร์เน็ตว่ามันถูกหรือแพงนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกที่คนในบ้านเราเกินกว่า5ในคนควาไปหา เมื่อตื่นนอนก็คือสมาร์ทโฟนนะฮะทั้งเพื่อการติดต่องานติดตามข่าวคราวของบ้านเมืองของเพื่อนฝูงของตนเองว่ามีใครติดต่อมามีกลไกสิ่งที่เราเขียนนะฮะมีการกดเขาเรียกมีคนกดไลค์สิ่งที่เราเขียนมีนกลไกอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรารูปที่เราโพสต์ไว้เนี่ยมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะสิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ถึง10ปีนะฮะ แต่โลกดิจิตัลได้เปลีป่ยนแปลงวิถีชีวิตความคิดประสบการณ์ความเป็นตัวตนของเราการรับรู้รับทราบนิสัยใจคอของเราและของคนอื่นที่เราติดต่อไปด้วยอย่างมากจนน่าจะถึงจุดที่ควรไขควรวนกันเสียทีนะครับดังที่มีข้อเสนอโดยสเวนส์เบอร์เคิร์สในหนังสือ changing the subject as an a t t e d a n t the internet age ที่ตีพิมพ์ในปีองพหนะครับประเด็นที่ควรพิจารณาแต่ต่อมีดังนี้ครับคือนึ การได้มาซึ่งข้อมูลอย่างง่ายดายนะฮะทำให้เรามีประสบการณ์ที่ไม่อิ่มใจและทําให้ชีวิตเรามีความหมายน้อยลงนะฮะเราสามารถหาข้อมูลและคําตอบได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายด้วยอินเทอร์เน็ตข้อมูลและความรู้ที่ได้มาง่ายดายเช่นนี้ไม่ได้มาฟรีๆแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างนึกไม่ถึงนะครับการได้รับรู้มาง่ายๆทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเติมให้เต็ม เดิมกว่าจะค้นหาคำตอบหรือข้อมูลใดมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องเสียเวลาค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อได้มาก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เต็มอิ่มกับมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะเรียกว่าอีกทั้งตลอดการเดินทางค้นคว้าก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับ GPS ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเศษเนี่ยช่วยให้ค้นหาที่หมายบนถนนในเมืองที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ทาให้เราไม่คุ้นเคยกับพื้นที่รอบข้าง ก่อนหน้านี้นะฮะกว่าที่เราจะหาที่หมายได้ก็ต้องเสี่ยงผิดเสียงถูกจนคุ้นเคยกับบริเวณรอบๆแต่ GPS เนี่ยทำให้เราต้องพึ่งพิงมันในลักษณะที่ต่างจากแผนที่ซึ่งต้องใช้สมองสัญชตาตญาณและจินตนาการจนทําให้เราได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์เมื่อถึงที่หมายนะครับก็รู้สึกภูมิใจลึกๆและรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีความหมายความรู้สึกประสบความสําเร็จและพึงพอใจในผลงานของตอนเองเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์ การลงมือค้นคว้าจนได้มาซึ่งข้อมูลและความรู้ช่วยเพิ่มภูนความรู้สึกของตนเองว่ามีความสําคัญนะครับหรือว่าเซลฟ์เอสติเมตโลกดิจิตอลได้เหมือนทําให้เราพึ่งตนเองได้น้อยลงและกีดกันตัวเราออกจากการเผชิญความรู้สึกของตัวเองการมีประสบการณ์ภาพภูมิใจดังกล่าวนั้นสําคัญแต่ยิ่งกว่านั้นนะครับคือการมีความรู้สึกเชื่อมต่อไปอย่างตัวตนของเราข้างในนะฮะอินเนอร์เซลล์าวคือการที่ความนึก คิดสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่ว่าจะเป็นความรักความห่วงอะไรความดีงามความรับผิดชอบหรือความเห็นแก่ตัวมนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องมีเวลาและโอกาสที่จะนึกถึงตรึกตรองเช่นนี้นะฮะ mm. เพื่อให้เกิดการตระหนักและเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเบรกหน้าต่อครับมาต่อกันที่เรื่องของโลกดิจิทัลทําให้เราพึ่งตนเองได้น้อยลงนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียซึ่งเชื่อมต่อกับตัวเรากับภายนอกอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหยอดเนี่ย ทำให้เราเกิดความคิดคำนึงอย่างไตรตรองในใจดังกล่าวได้ยากขึ้นและทำให้เราพึ่งพิงตนเองได้น้อยลงเพราะต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับข้างนอกอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นอาจจะตกข่าวหรือว่าไม่ทันโลกนะครับในสมัยที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยการเชื่อมต่อกับข้างนอกเนี่ยมีน้อยกว่ามากนะฮะเรามีเวลาและโอกาสที่จะนึกคิดถึงสิ่งที่อยู่ในใจมีการตึกตรองและค่อยวรมากกว่าเมื่อทุกคนเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกเหมือนกัน จึงได้มีการเาเรียกมีความเหลื่อมล้ำของการได้รับข้อมูลหรือข่าวสารความสงบในใจของเราก็มีมากขึ้นรู้สึกว่าเราพึ่งพิงตนเองได้ด้วยสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่การสูญหายไปของระยะทางด้วยปาฏิหาริย์ของอินเทอร์เน็ตนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งวิเศษแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเปรียบเส ม, มือนปีศาจ ท, ที่แปลงร่างมาใครๆไม่ว่าจะเจ้านายหรือลูกน้องเพื่อนหรือเจ้านี่ลูกค้าหรือลูกของเราก็สามารถเข้าถึงเราด้แบบ24 ชั่วโมงใน7วันหรือพูดง่ายๆว่าเข้าถึงได้ตลอดเวลาเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับการที่เราจะเกี่ยวข้องกับทุกๆคนเมื่อทั้ง2ฝ่ายเป็นชิ้นนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือการไม่มีเวลานึกถึงความคิดของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังคาดหวังและรอคอยการตอบกลับหรือการยอมรับอยู่ตลอดเวลาจะมีคนกั ด, กกดให้เรากี่คนนะเขาจะตอบกลับมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับ แทนที่จะพิจารณาเข้าไปข้างในภายในใ จ, ใจหรือว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่การได้อยู่ตัวคนเดียวเพื่อรับฟังหรือฟังเสียงตัวเองเป็นความสุขกับสโลไลจึงเกิดขึ้นในยากนะครับทุกวันนี้นะครับโลกโซเชียลมีเดียเราจะรู้สึกรุ่มร้อนเมื่อต้องคอยปฏิกิริยาตอบกับจากโลกภายนอกส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือการรอคอยการยอมรับโดยบุคคลอื่นในดีกีที่ต่างกันในลักษณะ แต่และช่วงชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการการพึ่งพิงเช่นนี้นะครับจากโลกภายนอกจึงเป็นการตัดขาดความเป็นตัวของเราเองและความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเรานั่นเองปัจจุบันเวลาผู้คนรู้สึกเบื่อเหงาหรือไม่รู้จะแก้ปัญหาตัวเองอย่างไรเนี่ยก็จะหันไปหาสมาร์ทโฟนทันทีพยายามหลีกหนีความรู้สึกเหล่านั้นแทนที่จะหาทางเข้าใจแล ะ, ะเผชิญกับมันคิดคำนึงว่าอะไรเป็นสาเหตุและจะแก้ไขมันได้อย่างไรพูดอีกอย่างก็คือ ผู้คนใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นยาแก้สะพัดโรคอย่างทันด่วนโดยหลีกหนีการเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจเป็นผลจากพฤติกรรมหรือบุ ค, คลิกของตอนเองที่ไม่เหมาะสมซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขเมื่อหนีความรู้สึกลบเหล่านี้และหันไปใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือแก้ไขชนิดทันใจก็จะวิ่งไปเจอปัญหาอื่นๆที่ผูกพันกับอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้าอีกจนเป็นวงจรไม่รู้จบนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้อง รู้ตะหนักกันให้ดีนะครับสำหรับในยุคนี้นะฮะวันนี้ก็มากับเรื่องราวที่อาจจะเป็นเหมือนส ะ, สะกิดใจดึงใจนิดนึงให้กลับมาคิดนะฮะว่าเออในโลกที่เราใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ความเป็นจริงมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเราไม่ควรจะใช้มันมากเกินไปนะครับแต่ย้ำกันนะฮะถึงใช้ไม่มาก 4-7 ่ถึงเดกรกฎาที่จะถึงนี้อย่าลืมไปเดินคอมบาท ก, กันนะมาให้กำลังใจไปแสดงตัวนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวพี่มิงจะงอนเอาเนี่ยขำๆนะฮะขำๆแต่ถ้าอยากจะฟังข้อคิดดีๆของพี่มิงเหมือนเดิมนะครับที่จะเขียนทุกวันผ่าน Facebook ของพี่มิงก็ไปเจอกันได้ที่เพจมิงคอมจุดเดย์มิ N ้งคอมจุดเดยได้นะครับ เวลาวันนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับพี่ใหม่คืนพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอ m จูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยน้าปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ทำไม่เสียใจหากลองคิดดูดดถึงช่อยคำที่เธอกล่าวมาก็อาจมีน้ ฉัน ทท you Baby, ทำไมเธอ now รักแค่ น, น, นี้ เธอรู้ตัวบ้งไหมความเธอนั้นอยู่ในฝันฉันเรื่อยไปอยากบอกรักเธอแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อาบอกรักเธอทุกวัน มีเพียงแค่เราไม่เคยต้งเงาแต่ตอนนี้บนสิ่งที่พวกรู้ไว้มันเริ่มจางหายจะคลายมือจากมือฉันจริงให้ฉันตายให้ใจสลายทุรนทุรายอโอ้ฉันก็จะไม่อยอมีมรักมันพังชีวิตฉันจมไปและฉันก็จะไม่อยอมี่รู ฉันยังเคมีเธฉันยังเคยมีเธแต่วันนี้ฉันไม่มีเธยูฉันไม่มีเธตอนฉันไม่ตอนน้ฉันตอนน้ฉันมครั้งหนึ่งฉันเคยมฉันเคยมแต่วันนี้ฉันไม่มียูฉันไม่มีเธ ความรักของเราในใครเขาก็บอกมาสง่งจะตายแต่ถ้าวันนี้ใครคิดจะเปลี่ยนใจก็คงไม่สายบอตัวเองอย่ามุดต้องร้องให้ทุรนทุรายก็แค่วันที่ไม่มีเขาตัวเราก็คงไม่ตายเชื่อเสด ร, รักตัวเองก่อนตอนที่จะเลือเดเต็มชีวิตต้องไปขึ้นแม่ไม่เชื่อดูเข็มเวลาที่เคลือล่อนเสด เ, เคลื่อนเสดเอ้กี่ครั้งกี่คนทีเจอต้องเสียล้ำตาแค่บ